วันนี้เป็นวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวนะคคือวันฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งตามหลัก ที่พระเจ้าได้ส่งตัดสอนไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตมังกลมุตตะมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งคือเป็นความสุขความเจริญแก่จิตใจการฟังธรรมตามการตามเวลาก็คือ ตามเวลาที่กำหนดไว้เช่นในวันธรรมสวนร <c oughs> เช่นวันนี้ในสมัยพุทธกาลนี้จะมีวันหยุดเป็นวันพระหยุดทำงานเพื่อจะได้มีเวลาไปวันไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมเพราะในสมัยก่อน ไม่มีภาษาไม่มีการเรียนหนังสือเรื่องการเขียนอ่านออกเขียนได้นี้คนส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษากันจะเรียนรู้ก็ต้องอาศัยจากการฟังจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์องค์เจ้าอยากจะฟังธรรมก็ต้องรอให้ถึงวันหยุดทำงานคือวัน <c oughs> วันพระทุกเจ็ดวันทุกแปดวันหรือหกวันก็จะเป็นวันหยุดหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลาว่างจะได้ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมได้ที่ที่ที่ทมาของคำว่าตามการตามเวลาก็คือเวลาที่มีการแสดงธรรมนั่นเอง ซึ่งในสมัยก่อนก็สำหรับคนส่วนใหญ่ก็ต้องไปฟังในวันพระกันฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนได้เรียนรู้ธรรมที่ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนสองถ้า ได้ยินได้ฟังทำที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ mm hmm. สามจะทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเพื่อสา ม, มาทิฐิปัญญาความรู้ความฉลาด mm hmm. สี่จะกมจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปได้และห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสการที่จะฟังให้เกิดประโยชน์ทั้งห้าประการนี้หรือหรือหนึ่งหรือหรือกี่ข้อในห้าประการนี้การจะเกิดฟังแล้วเกิดประโยชน์ได้จาเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ คือเวลาฟังธรรมนี้ควรจะนั่งเฉยๆน่างกายไม่ควรทำอะไรและวาจาก็ไม่ควรพูดคุยกันและใจคือความคิดก็ควรจะไม่ควรคิดถึงเรื่องราวต่างๆควรตั้งใจให้ฟังเสียงธรรม <c oughs> ที่มาสัมผัสกับหู และนำมาไปพิจารณาต่อเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่คือหลักการของการฟังธรรมที่ได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับบางท่านท่านนิยมฟังธรรมแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยประโยชน์จากการฟังธรรมแบบนี้ อย่าได้ไม่เต็มร้อย <c oughs> เพราะว่าเวลาฟังแล้วก็ทำงานไปด้วยใจก็ต้องแบ่งไปสองที่ด้วยกันแบ่งไปที่งานที่กำลังทำอยู่แล้วก็แบ่งมาที่เสียงทำ <c oughs> ก็จะไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เต็มครบบริบูรณ์งานก็ทำอาจจะขาดขาดเกิน <c oughs> ธรรมะที่ฟังก็อาจจะขาดขาดเกินเกินฟังอาจจะไม่ปฏิติประตอร่อฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมา <c oughs> เพราะว่าใจยังวอกแวกอยู่ใจยังแกว่งไปแกว่งมา <c oughs> ถ้าอยากจะฟังให้เกิดประโยชน์ จริงๆแล้วก็ควรฟังแบบไม่ทำงานดีกว่าหาเวลาที่ว่างจากภารกิจการงาน mm hmm. แล้วก็นั่งฟังเช่นตอนนี้ mm hmm. ฟังไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร mm hmm. ได้บ้างไม่ได้บ้างช่วงที่ไป เอาใจไปคิดกับงานช่วงนั้นก็จะไม่ได้ยินได้ฟังได้ยินก็ไม่เข้าใจเพราะได้ยินแต่เสียงแต่ใจไม่ได้รับรู้กับเสียงทำนั้นใจไปอยู่กับงานที่กำลังทาอยู่ <c oughs> น, นี่คือถ้าอยากจะได้ประโยชน์ได้มงคลเต็มที่ <c oughs> ก็ควรที่จะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ เราจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือที่รู้มาแล้วพอได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับสำหรับวันนี้ก็จะเอาทามาแนะนำทาที่อยู่ในกลุ่มที่มาด้วยกันสามที่มีคำว่าไตรยอยู่ เช่นพัลตนาตรัยพัลตนาตรายนี้ก็แปลว่าอัญญมณีสามชนิดด้วยกันหรืออัญญมณีสามก้อนก็ได้สามเม็ดก็ได้พัลตนาแปลว่าอัญญมณีตรนี้แปลว่าสามอัญญมณีสาสามก้อนด้วยกัน ที่มีคุณค่ามหาศาลอะไรคืออัญญมณีที่เป็นคุณค่ามหาศาลของพระพุทธศาสนาก็คือพระรัตนตรยนะัยรัตนตรยัย mm hmm. ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีคุณค่าราคาขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีพระรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอทามปราศจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธศาสนาก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไรถ้าเปรียบเหมือนกับผลไม้ที่มีแต่เปลือกไม่มีไม่มีเนื้อของผลไม้อยู่ใน อยู่ในลูกเช่นทุเรียนทุเรียนนี้คุณค่าของทุเรียนอยู่ที่เนื้อของทุเรียนไม่ได้อยู่ที่เปลือกของทุเรียน <c oughs> คุณค่าของพระพุทธศ า, าสนาก็อยู่ที่พระรัตนตรยัยอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ <c oughs> <c oughs> พราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่ มีคุณค่าประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าเข้าถึงได้ <c oughs> เพราะว่าเป็นเครื่องดับความทุกข์ทางใจนั่นเองเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ความทุกข์ทางใจหายไปได้หมดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำหน้าที่อันนี้ได้ มีเพียงแต่พระรัตนตรัยนี้เท่านั้นที่จะสามารถทําลายหรือกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้ทําลายภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถที่จะทําให้ความทุก ใจของสัตว์โลกนี้หายไปทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในไตพบในสังสารวัตวัฏตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้สิ้นสุดลงได้ <c oughs> มีแต่พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถที่จะ <c oughs> บอกวิธีสอนวิธีการดับความทุกข์ต่างๆ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของของใจของสัตว์โลกนี้ได้นี่แหละคือคุณค่าอันมหาศาลต่อให้มีเงินทองเป็นระดับหนึ่งของโลกเป็นมหาเศษรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเงินทองเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาดับความทุกข์ทางใจได้ เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องวุ่นวายใจทุกใจไปกับเรื่องราวต่างๆยังต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกับความตายทุกกับการ <c oughs> พัดพากจากสิ่งที่รักไปและทุกกับการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนา ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถกำจัดความทุกข์เหล่านี้ได้ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนจะเป็นประธานาธิบดีเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามการเป็นเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ มหาจากักรพรรดิก็ยังร้องหมลร้องไห้ได้ยังเศร้าโศกเสียใจได้ยังมีความหวาดกลัวมีความเ <c oughs> ครียดต่างๆอยู่ในใจเพราะการเป็นเหล่านี้ไม่ได้มาดับความทุกข์ทางใจได้นั่นเองอ น, นี่ <c oughs> เปรียบเทียบถึงคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าวมี คุณค่าขนาดไหนมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทรัพสมบัติของมาเสฐีอันดับหนึ่งของโลกมีคุณค่ามากกว่าการได้เป็นมหาจากักรพรรดินี่แหละคือพลัตนาใจอัญมณีอันน้ำค่าผู้ใดถ้าสามารถเข้าถึงพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ได้ และสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์สอนให้ปฏิบัติได้ก็จะเป็นผู้ที่จะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ใจไปตลอดไม่มีวันที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้คืออัญญามณนี ของอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนา <c oughs> ที่มาพร้อมกันสามองค์ด้วยกันมาเบื้องต้นก็มาองค์แรกก่อนคือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้านี้พระรัตนนาตายอีกสององค์นี้ยังปรากฏขึ้นมาไม่ได้คือพระอทรมคำสั่งคำสอน <c oughs> และพระอริยสงสาวุป ข, ของพระพุทธเจ้าสององค์นี้เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีองค์แรกคือที่ไม่ถ้าไม่มีการปรากฏตัวขึ้นมาของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระอริยสงสาวุปตามมาก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ พระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา <c oughs> เป็นผู้ก่อกาเนิด <c oughs> ก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปเป็นเวลาอันยาวนาน <c oughs> ไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งเฉพาะในช่วงที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เท่านั้น <c oughs> แต่สามารถทำ ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอยู่หลังจากที่พระองค์ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเป็นเวลาอันยาวนานพระองค์ได้ทรงพผยบอกรันไว้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันนี่คือผลอนิสงส์ที่เกิดจากการมี พระพุทธเจ้าตัดสรุ้ขึ้นมาเป็นพระองค์แรก <c oughs> พอมีพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนขึ้นมา mm hmm. พระรัตนองค์ที่สองก็เกิดขึ้นก็คือพระธรรมรัตนะ <c oughs> คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอมีพระธรรมรัตนะก็จะปรากฏพระสังฆรัตนะตามมา ก็คือผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนและน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นพระอรหรันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาและ จะสามารถที่จะมาช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลกต่อไปได้จะเป็นผู้ที่มาสืบทอดพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่คู่กับโลกนี้ต่อไปเป็นอีกเป็นเวลาอันยาวนานอยู่กับโลกนี้ไปอห้าพันปีด้วยกันเพราะว่า <c oughs> มีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเกิดพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรร ม, มก็จะไม่มีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกไม่มีพระธรรมคำสอนพอพระพุทธเจ้าตายไปประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าก็จะหมดไป พระพุทธเจ้านี้ก็มีสองประเภทด้วยกันพระพุทธเจ้าที่ตัดสร้แล้วแล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สรรโลกเราเรียกว่าพระอังหันตสามมาสามพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าที่ไม่มีโอกาสที่ได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่สรรโลกเราก็จะเรียกว่าพระประเจกับพุทธเจ้า <c oughs> เราจะไ ม, ม่จะไม่มีใครรู้ว่ามีพระประเจกกับพระพุทธเจ้าปรากฏ ข, ข, ขึ้นมาในโลกนี้เพราะท่านไม่แสดงธรรมท่านไม่ได้แสดงตน <c oughs> <c oughs> ก็จึงเป็นเป็นผู้ได้รับประโยชน์เพียงพระองค์เดียวพระประเจกพระพุทธเจ้านี้จะได้รับประโยชน์จากการตัดสั้ของพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเองคือสามารถกาจัดความทุกข์ ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระ อ, องค์ให้หมดสิ้นไปและสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้แต่เป็นประโยชน์จำเพาะตนเพราะว่าไม่ได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นยังไม่มีใครเรียนไม่มีใครรู้เรื่องวิธีการดับความทุกข์วิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ นี่คือพระพุทธเจ้าสองแบบด้วยกันพระพุทธเจ้าที่ตัดสั้แล้วก็นำเอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนก็จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏต่างขึ้นมาเพราะจะมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นพระประเจกพุทธเจ้านี้ท่านจะไม่ได้แสดงธรรม ก็จะไม่มีใครได้เรียนรู้ธรรมะไม่มีใครสามารถปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได mm hmm. ้ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาตามมา mm hmm. บุญคุณของพระพุทธเจ้าของพวกเราจึงถือว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้แม้แต่บุญคุณของบิดามารดาก็ยัง เปรเท่ากับบุญคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะบิดามารดาสิ่งที่มอบให้กับเราได้ก็คือชีวิตคือร่างกายอันนี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถมอบความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่ให้แก่ลูกๆได้เพราะแม่ให้ร่างกายให้ชีวิตของลูกของร่างกายของลูกๆได้อยู่ แต่ไม่สามารถให้การดับทุกข์กับลูกๆได้เกิดมาถึงแม้จะมีชีวิตมีร่างกายแต่ก็มีชีวิตมีร่างกายที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความพัดพากจากกัน ความประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงอันนี้พ่อแม่ไม่สามารถช่วยลูกได้เพราะว่าแม้แต่พ่อแม่ก็ต้องเจอกับปัญหาอันเดียวกันเจอกับความทุกข์ในรูปแบบเดียวกันมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้คือถึงแม้จะเจอแต่ก็ไม่ทุกข์กับปัญหาเหล่านี้ จะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันไม่ทุกข์กับการที่จะต้องประสบะเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงใจ<ม>ของพระพุทธเจ้านี้จะไม่ทุกข์กับอะไรเลย<ม>นี่แหละคือพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระคุณทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระคุณของใครก็ตาม <S <S เมื่อเปรียบเทียบกับพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นเหมือนฟ้ากับดิน <c oughs> นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะทาหนึ่งและถ้าเราอยากที่จะตอบแทนพระคุณด้วยทดแทนพระคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ว่าให้ทำการบูชาบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีการบูชาอยู่สองรูปแบบด้วยกันคืออามิสสบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสสบูชาก็บูชาด้วยเครื่องสักการะต่าง เช่นดอกไม้ทูบเทียนหรือการสร้างถาวรลวัตถุไว้ประดับให้กับพระพุทธศาสนาเช่นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไว้ติบพระธาตุสร้างถาวรลวัตถุไว้สำหรับทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุข้าวของเงินทองต่าง แต่การบูชาแบบนี้พระพุทธองค์ไม่ส่งสรรเสริญไม่ส่งยกย่องส่งสนรเสริญยกย่องการบูชาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือให้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระองค์ที่สอนให้เรานําเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตามคําสอนนี้จะทําให้ได้หลุดออกจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจากสัตว์โลกอย่างพวกเราที่อุตสาห์สละเวลาของชีวิตหลังจากที่ได้ทรงตัดสรลุไปถึงวันที่เสด็จดับขันธ์าปรินิพานคือ45สห้าปีด้วยกันนี้ทรงอุทิศให้กับการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลก ต้องทำภารกิจนี้ทุกวันยกเว้นวันที่อาพาธไม่สามารถทำภารกิจนี้ได้จะมีการแสดงธรรมถึงวันละสามสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมคารวะผู้ครองเรือนยามค่ำก็แสดงธรรมให้กับนัก บ, บวชภิกษุภิกษุณี ยามเดือกก็แสดงทำให้กับกายทิพย์หรือพวกเทวดาพวกเทพทั้งหลายและยามเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาทก็จะทรงเริงยามดูว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใครในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษหรือฉุกเฉินเพราะอาจจะเห็นว่าบุคคลนี้พร้อมที่จะรับธรรมพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่แต่แต ความตายกำลังใกล้เข้ามาก็จะส่งก็จะไปโปรดบุคคล น, นั้นเพราะว่าถ้าตายแล้วจะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากธรรมะคำสั่งคำสอนของพระ อ, องค์ได้อันนี้เป็นการโปรดสัตว์กรณีฉุกเฉินกรณีพิเศษของแต่ละวันจะสามารถเล็งยานดูว่าวันนี้มีใคร บางที่จิตใจพร้อมที่จะบรรลุธรรมและโอกาสที่จะเสียชีวิตนั้นมีอยู่มากมก็อาจจะมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นก่อนและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเสียสละทุกเทชีวิตและจิตใจให้กับพวกเราสัตว์โลกเพื่อให้เราได้เรียนรู้วิธีของการดับทุกข์เพื่อที่เราจะได้นาเอาไปปฏิบัติ ระดับความทุกข so, ์ที่มีอยู่ในใจของเรานี่ให้หมดสิ้นไปดังนั้นการบูชาที่ดีที่สุดก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาบูชาการปฏิบัติบูชานี้ประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิและปัญญานี่อันนี้ก็เป็นธรรมที่ที่มีคําว่าไตรอยู่ สีนสมาธิปัญญานี้เราเรียกว่าตายสิกขาตายสิกขาก็คือข้อปฏิบัติสข้อเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่จะจะเอาไปใช้ดับต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาก็มีอยู่สามเหมือนกันาก า, ารล ะ, ะตัณหาภาวตัณหาและวิภาวะตัณหา ที่เป็นเหตุให้พาสัตว์โลกนั้นไปเวียนว่ายตายเกิดในใยพบก็มีสามเหมือนกันพบสามการมาตัณหาก็จะพาให้สัตว์โลกไปเวียนว่ายตายเกิดในกามยพบภาวาตัณหาก็จะพาให้สัตว์โลกไปเวียนว่ายตายเกิดในรูปพบวิภาวตัณหาก็จะพาให้สัตว์โลกไปเวียนว่ายตายเกิดใน อรูปภพอันนี้ก็เป็นธรรมที่ประกอบขึ้นมาด้วยสามเช่นเดียวกันผลผลเหตุของของตัณหาทั้งสามก็ทำให้เกิดภพทั้งสามขึ้นมาเกิดตายภพเกิดตามมภพเกิดรูปภพเกิดอรูปภพตามมภพก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่เสกกรรมมีทั้ง มีทั้งฝ่ายที่เป็นสุขและฝ่ายที่เป็นทุกข์เนี่ยฝ่ายที่เป็นสุขก็พวกเทวดาทั้งหลายฝ่ายที่เป็นทุกข์ก็พวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกอสุรกายและพวกนรกและก็ฝ่ายที่เป็นกลางสุขบ้างทุกข์บ้างก็พวกมนุษย์พวกเหล่านี้ นี่คือที่อยู่ของผู้ที่เสพกลางพบที่จะมาเกิดเป็นกันในการมาพบนี้เช่นตอนนี้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์กันมาเสพกลามในฐานะของมนุษย์แต่เวลาตายไปแล้วนี่ก็อาจจะดวงวิญญาณก็อาจจะไปเสพกลามในพบของเทวดาถ้าทำบุญมากกว่าได้ทำบาท แต่ถ้าได้ทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะไปเสพการในพบของเดรัชานบ้างของเปรตบ้างของอสุรกายบ้างของนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ยังมีการม้าตัณหาผู้ที่ยังยินดีกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆยังชอบดูหนังฟังเพลง ยังชอบกินชอบดื่ม <c oughs> ชอบหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผดพ้ะก็จะเป็นก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้มาเกิดในกามะพุมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย <c oughs> เวียนว่ายตายเกิดสลับกันมาเกิดเป็นมนุษย์ตายไปก็ไปเป็นเทพบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างพอพ้นจากบุญพ้นจากกรรมก็กลับมา เกิเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสําหรับผู้ที่เสพผู้ที่มีการมารฐานหาผู้ที่มีภาวะทันหาก็คือผู้ที่ชอบเสพรูปประชานภาวะทันหะในข้อ น, นี้ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ยินดีกับการเสพความสุขของรูปประชานตรงนี้ เวลาตายไปก็จะไปอยู่ในอยู่ในรูปภพบพบของพรหมเป็นจะเป็นรูปประพมเป็นพรหมชนิดหนึ่งแล้วก็อยู่ไปในสวรรค์รูปภพไปจนกว่าจะจนกว่ากาลังของฌานนั้นเสือ่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อยพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมามาเสพฌาน มาเข้าฌานใหม่ตรงนี้เกิดใจไรก็มังอยากจะไปบวชกันไม่ไม่ไม่มีความยินดีในการเสด็จกรรมเลยโปรดเข้าใจว่าทำไมคนบางคนเขาไม่ยินดีกับการมีสามีกับการมีภรรยากับการมีความสุขจากการเสบรูปเสียงจิตลดเพราะเขามีความสุขจากการเสบ ร, รูปประชานหรืออารูปประชานนี่เอง เขาก็เลยจะไปเป็นนักบวชกันไปอยู่แบบนักบวชถ้าเขาถ้าเขาเคยเสบรูปประชานเขาก็จะไปเสพรูปประชานถ้าเขามีวิภาวะตันหาเขายินดีกับการเสบรูปประชานเขาก็จะไปเสบรูปประชานนี่ถึงเราจึงมีสามภพด้วยกันมีปลายภพ มีการมาพบมีรูปรรประพบและอรูปประพบหนึ่งถ้าพูดถึงจำนวนของวิญญาณ น, นี้การมาพบนี้เป็นเป็นที่มีวิญญาณอยู่มากที่สุด mm. ส่วนพวกพวกส่วนส่วนรูปประพบกับอรูปประพบนี้จะมีน้อย mm. เพราะคนที่สามารถที่จะเข้าถึงฌาน mm. เข้าถึงรูปฌาน mm. เข้าถึงอรูปฌานนี้มีน้อย mm. แต่ก็มีอยู่เราสามารถสังเกตใจจากมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้เก้าสิบเก้าปอร์เซ็นนี้มักจะเสพกลางกันทั้งนั้นเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพัดจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็น้ที่จะไปเสพเสปรูปประชาญหรืออรูปประชานตรงนี้ก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขา อยู่ตามที่สงบสงัดวิเว้เพราะการที่จะเข้าฌานได้นั้นจะเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆ <c oughs> อันนี้ก็คือเรื่องของของายพบเรื่องของปัญหา <c oughs> เรื่องของสาม <c oughs> การมี การหาสามชนิดจึงทำให้มีพบสามชนิดมีกามมาพบมีรูประพบมีอรูประพบและการที่จะทำลายพบทั้งสามนี้ก็ต้องมีสามมีธรรมสามชนิดที่เรียกว่าไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าต้องการที่จะยุติความทุกข์ทั้งหลาย ยุติการไปเวียนวาหา้ตายเกิดในตายพบนี่ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีล <c oughs> นี้ก็ต้องเป็นศีลระดับของนักบวชขึ้นไปนับตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ถ้ามากกว่านั้นก็ไปถือศีลสิบหรือไปถือศีลของพระภิกษุศีลสองรอยิบเจ็ดนี่อันนี้ก็จะ เป็นการปฏิบัติเพื่อทำลายตายพบทำลายกามรัตฐาภาวะัณหาและวิภาวะฐาหาจาเป็นจะต้องปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบจะต้องปฏิบัติแบบเต็มร้อยศีลก็ต้องรักษาตลอดเวลาไม่ใช่มารักษาเฉพาะแต่วันพระอันนี้เป็นสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ผู้เริ่มต้นใหม่ ที่ยังมีกําลังน้อยที่ยังมีเวลาน้อยเพราะยังมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องอื่นถูกพันอยู่ยังไม่มีความสามารถที่จะมาบวชได้ตลอดเวลาออก็ได้ต้องใช้เอาเวลาว่างเช่นวันพระนี้มาเป็นวันปฏิบัติตายศิกขาเพือมาปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาชั่วคราวก่อนมาถือถ้าเป็นคารวาสก็มาถือศีลแปดศีลศีลแปดแล้วก็มาฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้สมาธิแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อทำลายภพชาติ ทำลายความทุกข์ต่างๆจำเป็นต้องใช้ไตสิกขาไตก็แปลว่าสามสิกขาก็คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติมีอยู่สามข้อคือศีลรักษาศีลแปดขึ้นไปหรือมากกว่า น, นั้นก็ไปบวช<ม>ถือศีลสองยิบเจ็ถ้าเป็นแม่ชีก็ศีลสิบ อันนี้ก็ถือ ว, ว่าเรามีมีครบแล้วในในระดับของศีลแล้วก็ต้องไปสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาให้ได้สมาธิก็มีอยู่สามรูปแบบด้วยกันรู้สึกจะมีไตเยอะมีเรื่องสามเยอะสมาธิก็มีสามรูปแบบมีคั้ิกะสมาธิอปนาสมาธิอุปจาระสมาธิ คือความสงบในในรูปแบบต่างๆกันคณิกะสมาธินี่คือจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วสงบนิ่งอยู่เพียงเชื่อวับหนึ่งเรียกว่าหนึ่งขณะ<ม>เรียกว่าคณนิกะสมาธิผิดสงบได้เพียงเชื่อวับเดียว<ม>อันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใหม่มือใหม่หัดขับยังไม่ชนานาญสติยังไม่แก่ก้ายังไม่แข็งแรง พอที่จะรักษาสมาธิให้นิ่งอยู่ได้นานๆเวลาได้สมาธิครัง้งแรกก็จะอยู่ได้เพียงวับเดียวแล้วก็จะถูกกำลังของตัณหาความอยากผักดันจิตให้ออกจากสมาธิมาอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตรวมชั่วขณะหนึ่งนิ่งสงบชั่วขณะหนึ่ง แต่ก็มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าทําให้ผู้ปฏิบัติได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวง ค, คือได้สัมผัสกับรถของความสงบที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้นัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่คือประโยชน์ของคณิกะสมาธิ จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้มีศรัทธาความเชื่อมั่นในแนวทางของการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วไม่โมฆะมีผลตามมามีประโยชน์ตามมาและประโยชน์นี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามแต่มันก็จะทำให้ศรัทธาที่มีอยู่นี้ กลายเป็นศรัทธาที่เต็มร้อยขึ้นมาทันทีศรัทธาในคำสั่งคำสอนในวิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้ได้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐอันนี้ถ้าใครได้สัมผัสกับคณิกาสมาธิเพียงครั้งเดียวนี้จะเกิดความขูกพันเกิดความยินดีเกิดฉันทะฉันทะวิรยิยะ จิตตะวิมังสาคือเกิดอิทธิบาทสี่ที่เป็นธรรมันสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัตินี้ถ้ายังไม่มีอิทธิบาทสี่นี้การปฏิบัติจะเป็นไปแบบล้มลุกคลุกขันบางวันก็ขยันบางวันก็ขี้เกียจ เพราะยังไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันได้อะไรอย่างนี้บางวันก็ทำเพราะศรัทธาความเชื่อบางวันก็ลืมศรัทธาเสื่อมก็ไม่อยากจะปฏิบัติแต่ถ้าเราได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิแล้วอันนี้มันจะได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่จะไม่มีวันลืมไปจากใจมันจะประทับใจ มันจะเป็นตัวที่จะคอยกระตุ้นให้ใจนี้ให้เพียรพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นทำให้เกิดวิริยะเกิดจิตตะวิมังสาวิริยะก็คือความเพียรจิตตะก็คือใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติสมาธิวิมังสาก็จะใข้ควรจะคิดอยู่กับเรื่องของวิธีการทาสมาธิ ว่าทาแบบไหนถึงจะถูกทําแบบไหนถึงไม่ถูกทําอย่างไรถึงจะทําให้สมาธินี้ตั้งอยู่ได้นานก็อาจจะคิดค้นหาอุบายวิธีต่างๆบางท่านก็ต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวบางท่านก็ปีกวิเวกแล้วยังขี้เกียจยังง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องอดข้าวบ้างอดอาหารบ้างเพื่อเป็นการกระตุ้นความเพลินขึ้นมา นี่คืออิทธิบาทสีจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิพอได้คณิกะสมาธิแล้วนี่มันความยินดีความเชื่อในธรรมของพระเจ้านี้มันจะเต็มร้อยยินดีที่จะปฏิบัติต อ, ตอนต้นถ้ายังไม่ได้เห็นผล น, นี้ยังสองจิตสองใจอยู่ทำดีไหมวันนี้ไป วันนี้ไปนั่งสมาธิดีหรือวันนี้ไปเที่ยวดีเนาะวันนี้ดูละครดีไหมหรือไปนั่งสมาธิดีอันนี้คือนักษณะของผู้ที่ยังไม่มีอิทธิบาทสี่แต่พอได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิปั๊บนีรู้เลยว่าโอ้โหไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับผลที่เกิดจากการปฏิบัติสติที่เกิดจากการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ ทีนี้ก็จะอยากจะนั่งสมาธิยินดีกับการจเจริญสติยินดีกับการนั่งสมาธิไม่สนใจที่จะไปคิดถึงเรื่องการไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไป <c oughs> อันนี้ก็จะเกิดอิทธิบาทสีขึ้นมาเกิดฉันทะความยินดีในการปฏิบัติเกิดวิริยะความภาคเพลินเคยเกียรติ้าน ความเกียดแค้นจะหายไปหมดเลยทุกวันนี้จะมีแต่ความกระตือรือร้นอยากจะไปวัดอยากจะไปปฏิบัติอยากจะไปเจริญสติอยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใครไม่อยากจะทำอะไรจิตใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวจิตตะวิมังสาก็คิดแต่เรื่องของการปฏิบัติ ว่าจะไปไปปฏิบัติได้เมื่อไหร่ไปปฏิบัติที่ไหนดีอะไรทำนองนี้ใจยังไม่คิดถึงว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินไปดื่มที่ไหนดีต่อไปมันจะไปคนละแนวทางเคยไปทางโลกพอได้สัมผัสกับรถแห่งทรร ท, ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแนละ้วทีนี้ก็ไม่อยากที่จะไปสัมผัสกับอะไรทางโลกอีกต่อไป อันนี้คือประโยชน์ของธนิกะสมาธิพอลองได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เป็นแค่พ้าแลบชั่องูแบลบวิ้นก็แต่ผลความประทับใจนี้มันประทับใจยั่งยืนอยู่ในใจมันจะไม่ไม่มีวันหลงวันลืมั้งแรกที่ได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้ <c oughs> แล้วมันก็จะทําให้เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่เคยไปหาความสุขจาก ตามมคุณทั้งห้าจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพระภชนิดต่างๆมันก็จะหันเข้ามาหาความสุขจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิจากการรักษาสีจากการไปปรี่วิเวกอยู่คนเดียวจากการทำความเพียรด้วยอุบายต่างๆาจจะเดินนานๆเดินจงกลมนานๆ น, น, นั่งนานๆนอดอาหารอะไรกปอยู่ที่น่าหน้ากลัว พราะอุบายเหล่านี้มันจะช่วยเสริมให้มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายและสงบได้นานจากคณิกาสมาธิต่อไปมันก็จะกลายเป็นอัปปนาสมาธิคือจิตนิ่งสงบสัคตะวารูมีอารมณ์เดียวสักเป็นหนึ่งอยู่กับสัคตะวารูอยู่ด้วยอุเบกขา อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสุขที่เหนือกว่าความความสุขทั้งปวงอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธิคืออัปปนาสมาธิผู้ที่ปฏิบัติได้อัปปนาแล้วควรพยายามรักษาอัปปนาสมาธิหรือให้จิตตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิให้นานให้บ่อยไม่ต้องไปทําอะไรทางด้านปัญญาในเบื้องต้น ในเบื้องต้นฝึกหัดเอาสมาอัปนาสมาธินี้ให้ชนานาญและให้อยู่ได้นานวันวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรทำแต่สมาธิไปก่อนเอาให้มันชนานาญจนกว่าจะสามารถสั่งมันได้ต้องการเข้าอัปนาสมาธิเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว <c oughs> แล้วเมื่ออยู่ในสมาธิแล้วก็อยู่ได้นาน แล้วเวลาจิตออกมาจิตก็จะเย็นจะสงบด้วยอุเบกขาจะไม่รุ่นวายไม่สายแสบไม่หาลูกเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความอยากในกามนั้นได้ถูกกําจัดไปแล้วเพียงแต่ว่ากําลังของสมาธิมันทําให้ความอยากในกามไม่สามารถแสดงอาการออกมาได้ จนกว่ากําลังของสมาธิอ่อนลงเมื่อไหร่พอกําลังของสมาธิอ่อนลงความอยากในกายมันก็จะปรากฏขึ้นมาตอนนั้นก็จะเป็นตอนที่จะต้องไปจเจริญธรรมะขั้นต่อไปก็คือขั้นปัญญาเรื่องนี้คือระดับของสมาธิ ท, ท, ที่ที่เรียกว่าสัมมาสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิ ส่วนสมาธิชนิดที่สามนี้ที่เรียกว่าอุปจารสมาธินี้คือสมาธิที่เวลาสงบแล้วจะไม่อยู่เฉยๆไม่นิ่งเหมือนอัปปนาสมาธิจะออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์จะไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปพบกับกายทิพย์ชนิดต่างๆไปพบกับเทวดาไปพบกับเปรตพบกับอะไร หรือไปมีความสามารถพิเศษ ล, ลึกชาติได้อ่านวาระจิตของผู้่นได้ใครกาลังคิดอะไรอยู่ก็สามารถรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิเป็นที่ที่เกิดของอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายแต่สมาธิแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิที่แปลกประหลาดนาัสจรัลก็มีความสามารถพิเศษ สามารถที่เข้าถึงกายทิพย์ได้สามารถรู้สวรรค์รู้นรกเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้สามารถอ่านใจของผู้อื่นได้เ<ส>วลาที่พุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้สมาธิแบบนี้เวลาสแสดงธรรมให้กับเทวดาพระพุทธเจ้าก็จะออกจากอัปานาแล้วก็เข้าไปในอุปจารสมาธิ แต่อุปจารสมาธินี้ <c oughs> ขาดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจก็คือขาดอุเบกขาขาดความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีเวลาออกจากาอุปจารสมาธิแล้วใจก็จะหิวโหวยทันทีใจก็จะหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพระชนิดตา่างๆจะไม่มีกําลัง <c oughs> ที่จะต่อสู้กับ กิเลสตัณหาการะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้เลยจึงเป็นมิจฉาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนในการเจริญปัญญาและในการใช้ปัญญาและสมาธิไว้ต่อสู้กําจัดกับตัณหาความอยากต่างๆต้องใช้อัปปนาสมาธิควบคู่ไปกับการเจริญปัญญา ที่จะทำให้ที่จะทาให้สามารถนำเอาไปทำลายกิเลสตัณหาได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านปฏิบัติสมาธิถ้าจิตของท่านเกิดไปเข้าไปในอัปปนาแล้วไม่อยู่ไม่ตั้งอยู่ในอัปปนาเอาไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมีความรู้สามารถพิเศษแล้วเลิกชาติได้ รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ความคิดของคนนั้นคนนี้ได้อะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงคนอย่าไปคิดว่าเป็นของวิเศษมันเป็นของวิเศษคือมันเป็นของแปลกแต่มันไม่วิเศษตรงที่มันไม่ช่วยปัญญาให้ดับความทุกข์ใจได้มีปัญญามากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีกำลังที่จะเอาไปดับกิเรตตัญหาที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ ไม่เหมือนกับอัปปนาสมาธิที่จะมีพลังให้กับปัญญาที่จะสนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาต้องการที่จะทําลายความอยากต่างๆก็จะสามารถทําลายได้อย่างอา ง, ง่ายนะ่าสําเร็จแต่ถ้าเป็นอุปจารสมาธิแล้วถึงแม้จะมีปัญญาจเจริญปัญญาปัญญาที่จเจริญก็จะไม่มีกำลังที่จะไป หยุดความอยากทั้งสามได้หยุดการมักตัณหาภวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาได้ <c oughs> นั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติแล้วได้สมาธิคื อ, อปัจจารสมาธิได้คุณวิเศษได้อิทธิฤทธิ์ต่างๆอย่าไปดีใจอย่าไปหลงคิดว่านี่คือมรรคผลนิพพานอันนั้นไม่ใช่เป็นนัมกมรรคผลนิพพานมันเป็นทางที่ จะเดืงจิตให้ออกจากทางของมรรคผลนิพพานยันถ้าถ้าปฏิบัติแล้วเจออย่าไปสนใจดึงใจให้กลับมาให้ตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิดีกว่าให้ใจมีความสงบนานๆมีอุเปขามากๆเพื่อที่เวลาออกจากสมาธิมาจะได้มาจเจริญปัญญาได้ปัญญานี้ก็มี เรื่องของอุปจารสมาธินี้ก็ดีอยู่อย่างก็คือว่าคนที่จะได้อุปจาระสมาธินี้มีน้อยไม่มากในวงการปฏิบัตินี้ท่านว่ามีแค่ร้อยละห้าเท่านั้นที่จะมีความสามารถเข้าถึงอุปจารสมาธิได้สำหรับผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นี้ก็จะไม่มีอุปจารสมาธิจะได้คณิกะหรืออัปนาสมาธิก็ จะก็ไม่ต้องวิตกกังวลถ้าไม่ได้อุปจารสมาธิควรจะดีใจว่าจะได้ไม่เสียเวลาไม่หลงทางถ้าไปทางอุปจารสมาธินี่เรียกว่าไปผิดทางไปหลงทางแล้วจะไม่สามารถก้าวไปทางมากผลนิพพานได้จะก้าวไปทางมากผลผนิพพานนี้จะต้องมีอุปอปนาสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญา ปัญญานี้การเจริญปัญญานี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันปัญญามีสามระดับสุดะมายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาล่ําเรียนจากผู้อื่นจินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดค่ายควรอยู่เรื่อยเรื่อยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้อื่นมามเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมและปัญญาขั้นที่สามก็คือภาวนามยะปัญญา ปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนมีอัปปนาสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาที่ได้เรียนมาก็ตามหรือปัญญาที่ได้ค่ายควรจนไม่หลงไม่ลืมนี้ก็จะกลายเป็นภาวนามายาปัญญาปัญญาสามระดับนี้สองระดับแรกนี้ยังไม่สามารถเอามาใช้ละตัญหาความอยากดับความทุกข์ทางใจได้เป็นเพียงแต่ เป็นจุดเริ่มต้นของของการเจริญปัญญาให้เข้าสู่ระดับภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่จะสามารถเอามาใช้ทำลายความ <c oughs> ความอยากที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจที่เป็นเหตุที่พาให้ใจนี้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบต้องเป็นปัญญาระดับที่สามคือปัญญาที่ไม่หลงไม่ลืมคือจำได้ อะไรที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้ามาเช่นตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาก็จะจำได้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรดมรรคปัญญาก็จะจำได้เมือ่อจำได้แล้วเวลาที่เจอตัณหาความอยากก็จะรู้ว่าต้องความอยากนี้จะต้องละต้องหยุดถ้ามีปัญญาที่รู้ว่าต้องละแล้วมี ผู้เบกขาจากสมาธิมาสนับสนุนก็จะสามารถทำให้ใจละตัณหาได้ในกิณริยสัจสี4ก็จะสามารถทำได้อย่างสำเร็จก็คือทุกให้กำหนดรู้ทุกให้รู้ว่าคืออะไรทุกก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันนี่คือความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรก็คือความอยากตามอยาก ท, ที่พาให้มาเกิดนั่นเองก็คือการละตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าอยากจะยุติการเกิดยุดติความทุกข์ก็ต้องละตัณหาละการลตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้ามีปัญญารู้ว่าต้องละและมีอุเบกขามีสมาธิก็จะละได้สมุทัยก็จะละได้นี่โลดก็จะทำให้ปรากฏขึ้นมาก็คือ การดับของความทุกข์ทุกทุกที่เกิดจากสมุทัยคือตัณหาก็จะหายไปเมื่อละตัณหาได้ด้วยปัญญาและด้วยสมาธิและทางที่เครื่องมือที่จะทำให้ละสมุทัยได้ก็คือสมาธิและปัญญานี่เองที่มันจเจริญอยู่เรื่อย มันเจริญจากการปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้เป็นองค์ของมรรคถ้ามีมรรคมรรคก็จะสามารถที่จะเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมว่าทุกนี้เกิดมาจากการมาเกิดถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์ถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีความทุกข์เหตุนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ากเกิด ถ้าไม่เกิดก็ต้องไปละต้นเหตุที่พาให้มาเกิดต้นเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือสมุทยัยการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาสมุทัยต้องให้ละถ้าละถ้ามีถ้ามีมากถ้ามีสติถ้ามีสติปัญญามีสมาธิก็จะสามารถละตัณหาได้เมื่อละตัณหาได้นิโรธก็ทำให้แจ้งได้ นิโรธต้องทำให้แจ้งก็คือทำให้ปรากฏขึ้นมาทำให้เห็นว่าตอในใจนี้ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่แล้วความทุกข์หายไปหมดแล้วเรียกว่านิโรธทำให้แจ้งทำให้ปรากฏด้วยการละสมุทยัยด้วยการใช้มร ค, คือศีลสมาธิปัญญานี่นี่แหละคือเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องรู้ รู้เรื่องของไจรักรู้เรื่องของอริยาาสัจสีแล้วก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนให้ใช้ปัญญาเพื่อมละสมุทยัยเมื่อละสมุทัยได้ทุกข์ก็หยุดไปการเกิดก็สิ้นสุดลงเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายตามมาทุกย่อมย่อมหมดไปสาหรับผู้ที่ไม่เกิด ตร์ใดถ้ายังมีการเกิดอยู่าตร์นั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ต่อไป mm hmm. องั้นต้องมาปฏิบัติต้องมาปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญไต่สิกขาสีนสมาธิปัญญา mm hmm. ก็คือองค์มรรนี่เองเรียกว่าสีนสมาธิปัญญา mm hmm. จเจริญสีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญา mm hmm. เมื่อจเจริญได้ครบองค์แล้ว mm hmm. ก็จะมีพลังที่จะไปละ ต้นเหตุของการมาเกิดคือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้เมื่อละได้ทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดสิ้นไปใจก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปตายก็ใจก็จะตั้งอยู่ในนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดใจไม่ได้สูญหายไปไหนหลังจากที่ได้ทําลายภพชาติแล้ว หลังจากที่ไม่มาเกิดแล้วไม่ได้หมายความว่าใจจะหายไปกับพบกับชาติใจยังตั้งอยู่ในนิพพานที่เป็นที่ที่ดีกว่าที่ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ขณะ น, นี้เพราะที่นิพพานนี้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายมีแต่บร ม, มสุขนิบานังปรังสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการ ผลที่จะเกิดจากการที่เรามีวันพระมีวันฟังธรรมสวรค์มีวันฟังธรมมมงธรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนและเราจะแก้ปัญหาของเรานี้ได้อย่างไรเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้และเราก็จะแก้ปัญหาของเราได้เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วใจของเราก็จะได้พ้นทุกข์ทีได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรอีกต่อไป นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผร อ, อยะถ า, าวาริวาหากราปลิกุเรนติสาคลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังพิโะเมวะสมิชาต สัพเพปุลเอตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธาเมณิจุติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตโนวันตาโยสุขิธีขายุโกภว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 เป็นช่วงเดียวที่เราจะได้คุยคุยกันเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เจ้าค่ะทาง a ฟ e b o o k 488 u t u b บ312 YouTube อ you กเตอร์67วิท y o ออนไลน์8 c l ับ h o าส e 10 a า u ุติ86รวมทั้งหมด976 971ท่านเจ้าค่ะ เรามีคำถามก็เชิญอ่านได้คำถามจากคุณเป็นแค่เพื่อนกับนมัสการครับพระอาจารย์นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกทำให้หายใจอึดอัดพอเปลี่ยนมาดูท้องผ่องยุค ก, ก็สบายขึ้นเกิดจากอะไรครับก็เป็นความถนัดของเราเนะ บางทีเราถนัดดูท้องก็ดูท้องแทนนะหนึ่มดบลกได้เลยเมื่อสักครู่ระบบล่มเจ้าค่ะแต่กลับมาแล้วเจ้าค่ะการนั่งสมาธิมันก็แต่ละคนก็อาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันกำลังของสติของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน ให้เวลาบางคนเวลาเริ่มนั่งนี้จะให้ดูลมหายใจก็จะรู้สึกอึดอัดดูไม่ได้ mm. ก็อาจจะต้องใช้การท่องสวดมนต์ไปภายในใจก่อนทำในขณะที่อยู่ในท่าสมาธินี่แหละนั่งหลับตาแล้วแทนที่จะดูลมก็สวดอิติปิสโสไปภายในใจก่อนสวดไปจนรู้สึกว่าใจเย็นลงเบาลงสบายขึ้น ก็ลองดูลมต่อดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือถ้าดูปลายจมูกไม่ได้ดูที่หน้าท้องก็ดูที่หน้าท้องแทนก็ได้หน้าท้องก็เข้ายุบหนอ่อพองหนอเวลาหายใจเข้าท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกท้องก็จะยุบลงไป <c oughs> เพรนการนั่งสมาธิของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันเพราะ กำลังของสติของแต่ละคนนี้ไม่มากไ ม, ไม่ไม่เท่ากันและใจวุ่นวายมากน้อยต่างกันบองวันใจก็ไปมีเรื่องไปคิดมากเวลามานั่งก็จะนั่งได้ยากกว่าวันไหนที่ใจไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องมีลาวข้างค้างใจเวลานั่งมันก็จะนั่งได้ง่ายกว่าแล้วก็อยู่ที่สติมีกําลังพอที่จะควบคุมความคิดได้มากได้น้อย เังนนเวลานั่งก็ต้องสังเกตดูว่าหลักง่ายๆก็คือถ้ายัางดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปยาวๆสวดไปสักครึ่งชั่วโมงก็ได้สวนไปจะรู้สึกว่าออใจเย็นใจสบายแล้วก็ลองหยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อในที่สุดก็ต้องมาดูลมถ้าอยากจะให้ใจรวมเป็นสมาธิใจเป็นหนึ่งเพราะว่า ถ้ายัางคิดอยู่นี่มันจะทำให้ใจรวมไม่ได้ถ้ายัางสวดมนต์อยู่นี่มันจะทำให้ใจรวมได้ยากดังนั้นก็ต้องวิธีที่ดีที่สุ ด, สดก็คือต้องพยายามฝึกสมาธิฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่ามาฝึกตอนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวต้องเริ่มฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มพุโทโธพุธโทโธควบคุมใจไว้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย ไปทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโธไปหรือไม่เช่นนั้นก็คอยดูละดูภารกิจที่เรากำลังทำอยู่กำลังอาบน้ำก็ให้อยู่การอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่การล้างหน้าแปรงฟันอย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เราจะมีสติมาก วเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้ง่ายสงบได้ง่ายถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาจําเป็นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนสติเป็นเหตุที่จะทําให้ผลคือสมาธิเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสตินั่งไปนานเท่าไหร่ก็นั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วใจก็ฟุ้งซ่านอุดอัดแล้วทนนั่งต่อไปไม่ได้ <c oughs> ฉั้นพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิแล้วการนั่งสมาธิจะง่ายแล้วผลีก็จะได้ได้ดีมีคำถามยมั้ยคำถามจากคุณธีราชาติเรียนถามพระอาจารย์เรื่องบ น, บนคนละสูตรข้อที่แปเรื่องความรู้ในศิลปะนับเป็นมงคลอย่างหนึ่งด้วยหรือครับ ก็คำว่าศิลปะนี่มันหมายถึงการการทําอะไรต่างๆไม่ได้หมายคำว่าจะต้องเป็นเรื่องของศิลป์เรื่องของศิลปะบันเทิงอะไรอย่างเดียวคําว่าศิลปะนี่มันมีมันหมายถึงการความสามารถในการทําอะไรต่างๆที่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือศิลปะในการวาดเขียนก็ได้ศิลปะในการในการ ผลิตอะไรขึ้นมาบางอย่างศิลปะการทํากับข้าวก็ได้มันศิลปะในการเย็บปักถักร้อยความว่าศิลปะนี้หมายถึงความความสามารถในการที่เราจะใช้ฝีมือของเราทําทําอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าศิลปะนะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นนักศิลปินเป็นนักสแสดงอย่างเดียวเป็นนักร้องอย่างเดียวศิลปะในการกระทํา อะไรต่างๆที่ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพื่อเราจะได้เอามาใช้เป็นวิธีประกอบอาชีพของเราถ้าเรามีศิลปะในการทำกับข้าวเ้วก็สามารถที่จะทำอาหารนา่าริเริ่ดอร่อยทำให้มีคนอยากจะซื้ออยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านเราถ้าเราเป็นคนมีฝีมือในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยเดี๋ยวก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา เพามีศิละปะในการเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าหรือบางคนก็ศิละปะในการาทำผ้าททำผมศิละปะในการทำหน้าทำตาอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นศินละปะทั้งนั้นแหละในความหมายของมองคละระเสิ <c oughs> คําถามจากคุณดวงเดือนมีแม่ค้จาจะกแงหอยโขมขายตอนเช้าในช่วงเย็นเขามาถามว่าเราจะซื้อไหม เราบอกเอาสองถุงพอเขากลับไปจึงนึกได้ว่าหอยยังไม่ตายจะบอกคืนก็ไม่กล้าเช้าเขาก็เอามาให้อย่างนี้เราจะบาปหรือไม่เจ้าคะหมายถึงสั่งลรงหน้าไว้ก่อนนะเจ้าค่ะถ้าสั่งลรงหน้าก็บาปถ้าเขาเอามาขายของตายแล้วเราซื้อก็ไม่บาปแต่ถ้าบอกพรุ่งนี้จะเอาเอาสองถุงก็หมายความว่าเขาจะต้องไปฆ่ามาเพื่อที่จะมาทาให้เรา ก็เราก็มีส่วนในการทําบาปเพราะบาปนี้เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองก็ดีหรือจากการสั่งให้คนอื่นทําให้กับเราแทนก็ดีก็ถือว่าเป็นบาปเของท่านทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับของที่มีชีวิตถ้าของมีที่มีชีวิตก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามสภาพของเขาไปควรจะให้เมตตาต่อกันไม่ควรที่จะทําร้ายกันทําลายกัน ถ้ามันถามจากคุณทีฆธนาทำอย่างไรจิตถึงจะเข้าภาวะการปล่อยวางทั้งสุขทั้งทุกอันนี้จังไม่เที่ยงภาวะนี้ต้องเป็นเฉพาะนักบวชไหมเจ้าคาะบุตรชนที่ทำสมํเสม า, าเสมอคอยขัดเกลียวเสมอๆจะมีโอกาสถึงการปล่อยวางในทุกๆเรื่องแล้วพ้นทุกได้ไหมเจ้าคะ่ะตอนนี้ยังเป็นผู้แก้ไขขัดเกลียเลยอยู่เจ้าคะ่ะคือการาคาควรอย่างเดียวไม่พอที่จะทาให้เราปล่อยวางได้ ปล่อยวางได้จริงๆต้องมีอัปปนาสมาธิใจต้องมีอุเบกขาถ้าใจเข้าถึงอุเบกขาแล้วใจจะปล่อยวางโดยโด ย, โดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้เราจะมาไข้ควร น, นิจังทุกขังอนาตาอย่างไงมันก็ยังไม่ยอมปล่อยเพราะกิเลสมันมียังมีกำลังมากกว่าแต่ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วกิเลสจะสู้กาลังของอุเบกขาไม่ได้ ใจก็จะปล่อยวางได้นี่ต้องต้องมีทั้งสองอย่างมีการใไข้ควรถึงความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องมีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาพอมีอุเบกขามีปัญญาควบคู่กันก็จะสามารถปล่อยวางได้อย่างแท้จริงปล่อยวางได้อย่างถาวร จากคุณสิริมาเวลาที่หนูคิดจะฝึกสติด้วยการท่องพุทโทรหรือสวดอิติปิโสหนูจะชอบข่มจิตทําให้แน่นอึดอัด ป, ปวดหัวปวดคอเป็นอย่างนี้บ่อยมากควรทําอย่างไรดีคะไหนอ่านมาอีกทีเวลาหนูคิดจะฝึกสติด้วยพุพโทโธหรือสวดอิติปิโสหนูชอบข่มจิตค่ะทําให้แน่นอึดอัดปวดหัวค่ะ อย่างนี้เราทําอย่างไรได้บ้างคะก็อย่าไปขมมันเสก็สวดไปเฉยเฉยเหมือนกับเราร้องเพลงนี้เราก็ร้องไปเฉยเฉยเราก็สวดไปเฉยเฉยนั้นเองไม่ต้องไปบังคับมันให้อย่าไปขมมันเพียงแต่ให้มันสวดสวดตามที่เราให้มันสวดไปนั่จากคุณ ปฏิพัตเมื่อก่อนนั่งสมาธิดูลมหายใจกลายเป็นว่ามักจะไปบังคับหายใจเข้าหายใจออกยาวๆจนติดเป็นนิสัยพอได้ฟังเทศท่านบอกให้ดูลมเฉยๆก็เลยพยายามดูแต่เมื่อมาดูก็ติดนิสัยบังคับลมจะฝึกยังไงเพื่อไม่ให้ตัวเองบังคับลงครับที่บังคับเพราะเหมือนหายใจไม่อิ่ครับเมื่อเราบังคับมันได้เราก็หยุดบังคับมันได้สิใช่ไหม ถ้เาเคยบังคับมันได้เราก็ต้องหยุดบังคับมันได้ก็ mm hmm. ล, ลองหยุดบังคับมันเถอะปล่อยมันหายใจไปเฉยเฉไม่ต้องไปบังคับมันน uh huh. ให้อยู่กับพุทโธไปก่อนก็ได้ถ้าถ้ายังไปบังคับลมอยู่ก็ท่องพุทโทธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปดูลมปล่อยให้มันปล่อยให้ลมเขาหายใจไปตามธรรมชาติของเขาเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโทธพุทโทธไปแทนไม่ต้องไปดูลมถ้าดูลมเนาะมีปัญหายังดูไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดู